ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปนโนเสนอตอนที่36สุบินนิมิตรครั้งที่หสงน้ำพระพุทธ ร, รูปทองคำบวดโยมามรดาและหลวงตากับโหน หลวงตามหาบุญญาสังปาโนได้ให้โอว่าธำรรมเอาไว้ว่าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เท่าไหร่มีเมียตั้งร้อยคนฟังซีมันขายหน้าขายตายจะตายตรงนี้มันขายหน้าใครจึงอยากเป็นแต่เจ้านายมันมีเมียมากถ้าคนธรรมดารัชฎรเมียไม่ค่อยมีมากไปตรวจราชการเขาก็หามาถวายไปหามาถวายนั่นนาไม่ทราบว่ากีกคนเต็มไปหมดอุ้ย พูดแล้วมันน่าทุเรศน่าสงสารนะักวงราชการเราเละเทะเพราะอันนี้เองเพราะไม่มีศีลธรรมถ้าให้เหมาะสมจริงๆวงราชการของเราแต่ละวงระวงนี้ให้มีศีลธรรมข้อบังคับเป็นชั้นเป็นชั้นชั้นไปจนกระทั่งถึงราชการผู้ใหญ่ให้มีศีลธรรมเคร่งครัดประกอบกันเข้าไปแน่นหนามั่นคงอย่างนั้นแหละเป็นที่เคารพนับถือของคน พวกเราเหมือนควายตัวหนึ่งกับกิเลสกิเลสมันเหมือนคนเรามันเหมือนควายกิเลสมันเหนืออยู่ตลอดไม่รู้ไม่รู้จริงๆให้ชั่จิตนาว่าไม่รู้เหมือนจูงควายเข้าที่ฆ่านั่นแหละจูงไปกัดหญ้าไปคึกขนองไปเรื่อยไม่รู้นะพอไปถึงที่เอาสายไปเสีแล้วนี่ก็เหมือนกันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายกัดหญ้าไปเรื่อยคึกขนองไปเรื่อยพอถึงการเวลาจะไปไหนไม่รอดแล้ว นี่เรียกว่าสายสิแล้วตายทิ้งเปล่าๆคนคนหนึ่งตายทิ้งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์มีเยอะคือไม่รู้ว่าจะทำประโยชน์จะทำอะไรคนที่เขาฉบของลักขโมยเขาก็ทาประโยชน์เขาทำชั่วช้าลามกเขาก็ทาประโยชน์ฆ่าคนเขาก็ว่าเขาทำประโยชน์จะทำอย่างไรมันไม่รู้อะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ลำบากนะถ้าคนเราคิดแบบนั้น ลุ้มตามหาบุญญาณสัมปันงเล่าชี้วประวัติของท่านต่อไปอีกว่าตอนนั้นเราไปอยู่ทางห้วยทรายอันนี้ก็ประดี๋ยวกันหนึ่งที่เป็นนิมิตอัศจรรย์แต่เกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างหากไม่เกี่ยวกับเราโดยเฉพาะครั้งนั้นเราได้นิมิตว่าเราได้เหาะขึ้นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ซึ่งประทับอยู่บนพระแท่นอันกว้างขวางจากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้กลายเป็นพระพุทธรูปทองคำเนืองอารามเท่าองค์จินเราได้ส่งน้ําพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยน้ําอบน้ําหอมเมื่อเหาะลงมาเห็นมีประชาชนนั่นขนาดไปหมดกินได้เหาะประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้ประชาชนเหล่านั้นน้ํำมนต์ได้พุ่งแต่กระจายกระสินกระสายออกจากปลายนิ้วมือและฝ่ามือไปอย่างรวดเร็วโ ด, ดวยทั่วถึงทุกทุกคนขณะเหาะได้มองลงมาเห็นโยมแม่รอยอยู่ข้างล่าง โยมแม่ถามว่าลูกจะไปแล้วเหรอจะไม่กลับเหรอเราก็ตอบว่าเมื่อสุธิรนี้แล้วจะกลับแม่รออยู่ที่นี่แหละพอประพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนเสร็จแล้วก็เหาะลงมาเห็นโยมแม่ปูเสือรอไว้เราก็เหาะลงไปหน้าบ้านลงไปนั่งสอนธรรมแกโยมแม่จากหนังสือมาสจัน์หาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ได้บันทึกในเรื่องนี้เอาไว้ว่าแม้การเวลาผ่านมาช้านาน นิมิตต่างๆของหลวงตาได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าของท่านโดยที่ทุกคนไม่ทราบความหมายของนิมิตนั้นมาถึงนาบัตรนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องจริงที่น่าเป็นเครื่องส่องแสดงให้เห็นถึงการที่ท่านทีได้มาช่วยชาติยกบ้านยกเมืองให้พ้นจากลมลึกคือกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานและความจนเป็นนิมิตกระตุ้นเตือน ถึงความเป็นผู้นํำพาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายขนทองคําเข้าสู่ท้องพระคังหลวงยกพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่สวด颂คุณงามความดีเข้าสู่จิตใจประชาราชนสอนเขาให้ละทางแห่งความเสื่อมเพียรพยายามเพิ่มพูนแนวทางแห่งความเจริญสร้างพื้นแผ่นดินให้เป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนิมิตว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธรูปทองคำนั้นหมายถึงท่านเอาพระพุทธศาสนา นำทางสว่างให้ประชาชนคนไทยได้สร้างมหาทานอันยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนนิมิตว่าประพรมน้ำมนให้ประชาชนนั้นก็คือสายทานแห่งความกรุณามหาทานอันยิ่งใหญ่ในลังรินทั่วแผ่นดินไทยเป็นประดุษน้ำมนอันศักดิ์สิทธิ์หล่อเลี้ยงกายจิตของคนทั้งชาติได้อาบดื่มกินไปสิ้นกาลนาน หลวงตามหาบุญญาสัมปันโนไือเล่าถึงการที่ท่านต้องบวชโยมามรดาเอาไว้ว่าพูดถึงเรื่องนิมิตนี้มันก็แปลกเหมือนกันนิมิตแปลกดีนะนิมิตอันนี้แปลกแต่ต้องได้ชมถ้าลงนิมิตได้แสดงให้เห็นชัดๆอย่างนั้นมันไม่ค่อยผิดค่อยพลาดเท่าไหร่เรามาพิจารณาดูเรื่องเกี่ยวกับโยมแม่ภาวนาอยู่นิมิตปรากฏเกี่ยวกับโยมแม่ถ้าเราไม่ได้เอาโยมแม่บวชจะไม่ได้นะมันเกี่ยวกัน อย่างไรจะต้องให้โยมแม่บวชและจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามในมิตรความเป็นไปในสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่สงสัยและเป็นจริงตามนั้นตามนั้นเราจึงไม่มีอะไรคิดเพราะเป็นไปตามที่คิดไว้แล้วมันก็ได้ตั้งสำนักนี่ว่ายังไงแต่ก่อนผมไม่มีสำนักนะตามนิสัยเราอยู่ที่ไหน això? เราก็อยู่ของเราไปของเราสบายออกพรรษาแล้วหายเงียบหายเงียบก็อย่างสบายหายห่วง เหมือนนกมีแต่ปีกกระหังเท่านั้นอันนี้มาเอาโยมแม่บวชจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างว่าจริงๆพระรพรั ง, รงเราไม่มีฐานแก้ไขเพราะพิจารณาทราบไปแล้วตั้งแต่โนอนเอามือเขียนจะเอาตีนลบได้ยังไงถ้าไม่เอาโยมแม่บวชนี้เห็นจะไม่แล้วกันได้แต่โยมแม่ก็บวชได้อย่างง่ายดายยมแม่ก็ยิ้มเอาเลยแนะ่มันก็เป็นไปตามนั้น ลุ้ตามหาบัวยันสรนปนโน่หรือเล่าชี้ว่าประวัติของท่านในขณะอยู่จำพรรษาที่ห้วยสายเอาไว้ว่าตอนนั้นเราอยู่ห้วยสายเราจะพูดเรื่องหนูเราก็ตัวเท่าหนูตัวหนึ่งมันก็ทําให้แปลกใจเหมือนกันมันเป็นอะไรหรือว่าแมวนี้มันมีหูทิพตาทิพในห้องนั้นเอาหมอนแขวนไว้ที่แขวนก็เพราะกลัวหนูจะกัดนั่นเองถึงเอาเชือกมาผูกหมอนนี้แขวนเอาไว้ก็หนูนี่แหละขึ้นไปกัดเชือกขาดตกลงมา แล้วก็หนูอีกดั่นแหละเป็นผู้ขยําหมอนแหลกหมดเราไปเห็นเข้ากินพูดขึ้นว่าพวกแมวมันไปนไหนในดงในป่านี้มันไม่มีแมวหรือทําไมหนูถึงได้พิลิกนักหนาหนูมันมาทําลายศาสนาแหลกหมดแล้วนี่เห็นไหมในห้องนี้นะ่ะเราก็พูดและก็ว่าอย่างนั้นพอดีตอนห้าโมงเย็นมันแปลงอยู่นะนเนนรีบไปบอกเราว่าที่ครูอาจารย์ถามหาแมว เรีหาแมวเมื่อเช้านี้แมวมันมาจริงๆแล้วนะขอรับมันมาอยู่ตรงไหนล่ะมันมาอยู่ใต้ห้องเก็บหมอ น, นั่นแล้วสมัมเนนตอบเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมมันมาได้ยังไงก็ไม่ทราบแมวตัวใหญ่มากเนื่งก็ว่าอย่างนั้นมันอยู่ไหนล่ะมันหมอบอยู่ใต้ห้องนั้นแหละอยู่ที่พื้นเนื่ว่ามันอยู่พื้นแต่ความจริงมันอยู่ใต้ห้องที่หนูกัดหมอนนั่นแหละอยู่ตรงไหนนะเราจะไปดูหน่อยเราจึงเดินไปดู ไปดูมันอยู่นั่นจริงๆด่างๆสีกระต่ายบ้างสีขาวบ้างส่วนพวกพระท่านก็มายืนมุงดูเต็มไปหมดแล้วแมวเหล่านั้นมันไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วมันก็มีมาบันดนบันดาลเอาวันนั้นอันนี้เราก็ไม่ได้พูดว่าเราศักดิ์สิทธิ์นะเราพูดถึงเรื่องแมวมันนีหุ่ทิศตาทิศต่างหากนะเราจึงบอกกับแมวพูดกับแมวว่าพวกแมว พวกมึงอย่าไปกัดหนูนะอยู่ด้วยกันดีๆกูเรียกพวกมึงมาให้มึงมาอยู่เฉยๆแล้วแมวทั้งหลายเหล่านั้นก็มาแทบทุกวี่ทุกวันพอห้ามงเย็นมาแล้วเดินฉากโน้นฉากนี้ตัวตราปราบขู่หนูทีนี้พอตกกลางคืนนี้เขาจะทำท่าฉลาดมากนะพวกแมวเขาจะร้องเสียงดังๆอ้าวอ้าอ้าอยู่รอบวัด ต, ตั้งแต่นั้นมาหนูเหมือนตายหมดนะเงียบเลย นี้มันก็แปลกมาก